เมื่อประมาณสักสามพันปีมาแล้วนะนะที่อิสราเอลเนี่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องคงหนึ่งนะชื่อโซโลโมอนนะเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากมีเรื่องรา ว, ว่าวันหนึ่งเนี่ยกรุงอยากจะให้อยากจะทดสอบนะความสามารถภูมิปัญญาของเซมนาบดีคู่ใจคนหนึ่งก็เลยเรียกมานะแล้วก็ให้ไปหาแหวนเรือนหนึ่งนะ เพื่อจะได้ใช้ใส่สวมใส่ในพิธีสำคัญในอีกหกเดือนข้างหน้าละแหวนนี้เนี่ยนะจะต้องมีความพิเศษก็คือว่าคนที่กำลังมีความสุขเนี่ยเห็นแล้วจะเศร้าทันทีเลยส่วนคนที่กำลังเศร้าโศกอยู่เห็นแล้วนี่ก็จ ะ, ะมีความสุขขึ้นมาทันใดเลยว่าเป็นโจทย์ที่ สร้างความหนักใจให้กับเซนาบดีคนนี้มากกษระสัดโซโลมันก็รู้ว่าเนี่ยแหวนอย่างเนี้คงจะหาไม่ได้หรอกแต่ก็อยากจะทดสอบความสามารถของเซ น, น, นาบดีคนเนี้เซนาบดีคนนี้ก็เลยนะต้องเรียกว่าเดินทางเร่ร่อนเพื่อไปแสวงหาแหวนเรือนเนี่ยแหวนวงเนี่ย เรียกว่าเดินทางนะตลอดหกเดือนเลยนะเกหกเดือนนี่ไปเมืองแล้วเมืองเล่าก็ไม่เจอแหวนที่ว่าจนกันทั่งใกล้ถึงกำหนดพิธีสำคัญนะที่กษัตริย์โซลมอนเนี่ยจะต้องใช้ต้องสวมแหวนดวงเนี้ยในงาน เสนาบดีก็เลยกลับเข้ามายัางเมืองหลวงนะเยรูซาเล็มก็หมดหวังนะรู้สึกท้อแท้ว่างานนี้คงทำให้สำเร็จแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างวันสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญเนี่ยเสนาบดีก็ผ่านย่านที่ว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือว่าชุมชนแออัดนะ ที่มีคนยากคนจนเยอะแยะก็ไปเห็นชายชลาคนหนึ่งท่าทางมีความสุขทั้งทั้งที่ยากจนก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาได้เรีบตรงไปที่ร้านขายแหวนเราก็ขอซื้อแหวนทองเกลี้ยงมาวงหนึ่งนะ เสร็จแล้วก็ไปให้ช่างนี่แกะสลักก็ความก็มีแค่สี่ห้าคำนั่นแหละเสร็จแล้วก็รีบนะเข้าวังเลยทันพอดีนะแล้วก็ถวายแหวนวงเือแหวนวงนี้ให้กับกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนี่เห็นนี่ก็ยิ้มเลยดีใจเพราะมันคือแหวนที่ต้องการทั้งนั้งที่ เดินนี่ก็คิดว่าไม่มีทางพบลงหน้าแหวนแบบนี้แหวนวงนี้นยก็มีข้อความสี่ห้าคำนะว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมันตรงกับที่กษัตริย์โซโลมอนต้องการเลยนะก็คือว่าคนที่มีความสุขนะ เห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะเศร้าเลยส่วนคนที่เศร้าโศกนี่เห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะมีความสุขทันทีแล้วแล้วมันก็จะผ่านไปนะอันนี้มันเป็นศัจธรรมความจริงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะว่าให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์ไม่ว่าจะเศร้าโศกเสียใจนะหรือว่ากำลัง อ่อนอกอ่อนใจท้อแท้เพราะว่าให้ความทุกข์ที่ตัวเองประสบอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนเรานะมีความทุกข์จะเป็นความเศร้าโศกจะเป็นความเหนื่อยยากลาบากจะเป็นความขับแค้นล้วนแล้วแต่นะไม่เที่ยงนะ ในสุดมันก็ต้องผ่านไปอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์เป็นอย่างดีรวมทั้งคนที่กำลังมีต้องประสบกับความทุกข์เพราะการแพร่ระบาดของโควิดคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ว่าเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะว่าเศรษฐกิจมัน นะถดถอยหลายคนก็เฝ้าแต่ภาวนาว่าเนี่ยนะขอใ ห, ให้เหตุร้ายเหล่านี้มันผ่านไปสักทีแต่บางทีก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่คำฟ้าแต่ที่จริงแล้วมันก็จะผ่านไปไม่ใช่เฉพาะเหตุร้ายๆอย่างโควิดอย่างเดียวนะ ความทุกข์ยากลําบากอย่างอื่นก็เหมือนกันความเหนื่อยยากนะนะเพราะต้องเจออุปสรรคหรือว่าต้องปากกัดตีนถีบเพื่อเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวหรือว่าทำงานหนักนะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเพราะโควิดซึ่งมาแล้ววันแล้ววันเล่านี่ไม่ได้ลดเลยจนบางคนก็ท้อแต่ถ้าเราตระหนักถึงความจริงหรือ เชื่อมั่นว่านะในที่สุดมันก็จะผ่านไปเราก็จะมีกําลังใจนะเราก็จะมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปเพราะเรามั่นใจว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปเหมือนกลางคืนที่ในที่สุดก็จะต้องนะกลายเป็นสว่างจริงไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนะที่มันจะผ่านไปในที่สุดนะ ไอ้ความทุกหรือความรู้สึกทุกนะที่อยู่ในใจเราก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงนะน้ำซุมก็จะผ่านไปเหมือนกันเหตุร้ายบางอย่างมันยังไม่ทานผ่านไปเลยแต่ว่าไอ้ความทุกในใจเรามันก็ จ, จะเลือนหายไปเลยก็ได้เหการบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ละอย่างเช่นคนรักตายจากไปหรือว่า ตัวเองเกิดนะอุปัติเหตุต้องตัดขาเสียขาหรือว่าเป็นอมัอมาพาตอาการเหลานี้เนี่ยนะจะให้มันพลิกผันกลายเป็นว่ากลับมาเดินได้นี่มันอาจจะยากนะหรือเป็นไปไม่ได้คนที่จ่าไปแล้วเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกเศร้าโศกเนี่ยความทุกข์มันไม่ มีวันที่จะยั่งยืนแม้เหตุการณ์ไม่แปรเปลี่ยนนะแต่ว่าความรู้สึกมันแปเปลี่ยนได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเริ่มทําใจได้ยอมรับได้คนที่ตาบอดคนที่เสียขาคนที่เป็นอมัมาพาตคนที่สูญเสียคนรักวันแล้ววันเล่าก็จะสึกเศร้าโศกเสียใจรู้สึกขับแขนแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะที่คลาย แล้วเขาก็จะกลับมายิ้มได้นะเหมือนเดิมแลง้เวลาคนที่มีความทุกข์แบบนี้เนี่ยนะอย่าไปท้อแท้ท้อถอยหรือว่าอย่าพึ่งอย่าไปตี อ, อกโชคหัวนะหรือว่าไปหมดหม ด, หมดหวังหมดกำลังใจให้เชื่อมั่นนะว่าไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไม่ได้นานเพราะว่าทุกอย่างลว้วนไม่เที่ยงแต่ในระหว่างที่มันยังอยู่กับเราก็อย่าไปไปเร่งนะ ไปเร่งให้มันหายไปหรือไปผักสายมันพอยิ่งทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งเหมือนกับต่ออายุให้มันเหตุร้ๆที่อยู่รอบตัวเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือในโลกนี้เช่นโควิดก็เหมือนกันนะเราเชื่อมั่นเรารู้แน่ว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปแต่ก็อย่าไปไปเร่งหรือไปรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะไปสักทีคืนทําอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์นะ เพาะ่าเนี่ยทำใจไม่ได้ว่าทําไมไม่ไปสักทีทําไมมันยังไม่หมดไปสักทีทําไมมันยังเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้มันยิ่งทําให้ทุกข์นะมันผ่านไม่ต้องผ่านไปในที่สุดแต่อย่าไปเร่งหรืออย่าไปรอคอยมันมากเกินไปให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำจุดหมายดีที่สุดด้วยความเชื่อมั่นว่าความทุกข์ก็ดีเหตุร้ายก็ดีนะมันก็จะต้องผ่านไปในที่สุด ในเดกคนที่มีความสุขนี่ก็ก็ต้องตระหนักนะว่าไอ้ความสุขนะที่เรามีตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็จะผ่านไปไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นสุขภาพนะคนรักเงินทองการงานชื่อเสียงพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะในที่สุดมันก็จะกลายเป็นอดีตไป หรือถึงแม้มันยังไม่แปลเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกในใจมันแปลเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเบื่อนะยังร่ำรวยเหมือนเดิมนะแต่ว่าเบื่อแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปหลิงโลดดีใจนะกับความสุขที่มีให้เกินใจเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกับมันมากอย่าไปเพลิงกับมันมาก มันมาก็ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นสําคัญหมายกับมันหรือไปหลงไปเพลินกับมันเพราะถ้ามันเสื่อมมันสลายมันหายไปเมื่อไหร่ก็จะทุกข์มันนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ทันมันนไม่เพลินไปกับมันถึงเวลาที่มันเสื่อมไปใจก็ไม่ทุกข์นะมันทําได้อยู่เพราะเนี่ยสำหรับคนที่มีความทุกข์้วก็ให้เราลึกว่าให้เชื่อมั่นว่าแล้วมันก็จะผ่านไป